สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการคือท่านรู้เหตุรู้ผลของธรรมที่เป็นไปในโลกนีะรู้ทุกกับธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกุรู้สมุทยัยว่าในโลกียธรรมที่เป็นไปในโลกนี้ก็ประกอบด้วยธรรมสองสิ่ง ทุกนั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุถ้าเราทำความเข้าใจกันโดยตรงก็คือตันหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเรามีความยินดีพอใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยในความทุกข์ก็จะต้องมีขึ้นแน่นอนเพราะว่า เรามีความหวังมีความปรารถนาอยู่บอกว่าถ้าประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจแล้วก็มีความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นแต่ถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่น่ายินดีพอใจในอารมณ์นั้นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากอารมณ์ที่เราปรารถนาอยู่ก็เป็นทุกข์อารมณ์ที่เราชอบใจพอใจนี่ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปรารถนานี้ก็เป็นทุกข์เพราะนั้นตัวตัณหาหรือตัวสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในโลจีธรรม ท, ทั้งสองประการนี้เนี่ยบอกว่าทุกข์นั้นเป็นธรรมที่จะต้องกำหนดรู้เรามีหน้าที่รู้เขาแค่นั้นเองรูปกดีนามคดีเนี่ยเรามีหน้าที่ เปียนกำหนดรู้ให้เท่าทันต่อรูปนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์เรารู้รูปรูนามแล้วเนี่ยอาวิชาก็ปกปิดไม่ได้เมื่ออาวิชาปกปิดไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะทิฏฐิมานะต่างๆทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอาศัยปัญญ า, าเข้าไปรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง นี่แหละถ้าเราเข้าใจหลักคำสอนในพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วล่ะก็ท่านให้เราเรียนให้ถูกภาษาศาสนาเรียนถูกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียนให้ถูกรูปถูกนามถ้าเราเรียนแล้วยังไม่ถูกรูปถูกนามนี่ก็ยังไม่เข้าใจคำสอนในภาษาศาสนาส่วนสมุทไทยนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านให้ละ ท่านไม่ให้ไม่ได้บอกให้รู้ไม่ได้บอกให้เจริญแต่ไม่ได้บอกให้ทําให้แจ้งแต่บอกต้องละ้ า, ลาตุโลภตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วเนี่ยก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะละให้หมดปคราวนี้เราจะละได้อย่างไรเมื่อกิเลสตัณหามันฝังยึดอยู่ในจิตใจของเราเราจะละเขาได้อย่างไร ก็เช่นเดียวกันจะละเขาได้โดยการที่ปัญญาเขาไปรู้ความจริงของนามของรูปตรงที่ไอ้ตันหาและทิฏฐิเขายึดอารมณ์อยู่นั่นนหะเช่นตันหาและทิฏฐิเขายึดรูปปัญญาไปรู้ว่าเป็นรูปเขายึดรูปว่าเป็นเราปัญญาไปรูป้รูปไม่ใช่เราก็ไถ่ถอนความเป็นเราไปตันหาและทิฏฐิไปยึดอยู่ใน เวทนาบอกว่าสุขเวทนานี่เป็นที่ปรารถนาของกายของใจเราเราปรารถนาให้สุขกายสบายใจแต่ถ้าไปรู้ความจริงของเวทนาว่าเป็นนามเวทนาเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงมันมีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาแล ะ, ะทุกขมสุขเวทนานี่เราก็ เห็นความเป็นไปของเวทนานั้นมันก็ไม่เป็นสาระกันสารมันไม่เที่ย ง, ยงปัญญาก็ไปรู้ความจริงของเวทนาเนี่ยตัณหามื่ก็อาศัยเวทนาไม่ได้ตัณห า, าทิฏฐิอาศัยไม่ได้แม้ในจิตก็เช่นเดียวกันเราละตามรู้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะเนี่ยกิเลสต่างๆทั้งหลายก็อาศัยจิตไม่ได้ เราปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของจิตว่าเป็นนามธรรมาแล้วเพราะนั้นการละกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นละโดยการทำลายเขาแตกประการใดแต่ละเขาได้โดยการเข้าไปรู้ความจริงเท่านั้นเองข้าไปรู้รูปรู้นามตามความจริงอันนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้บอกให้เราว่าถ้าบุคคลปรารถนาความพ้นทุกข์แล้วเนี่ย จะพึ่งปฏิบัติอย่างไรซึ่งต่อไปเราจะได้ทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้แต่ว่าขอทบทวนสักนิดหนึ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วในหลักในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานประการแรกเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามเถอะเราจะต้องรู้รู้จักสิ่งนั้นก่อนว่าคืออะไรเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ก็จะต้องตั้งรู้ว่าวิปัสนานี่มันคืออะไรแล้วเราถึงจะปฏิบัติงานได้ถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักวิปัสนาคืออะไรแล้วลราก็เราก็ปฏิบัติผิดคือเมื่อรู้ผิดก็ปฏิบัติผิดเมื่อรู้ถูกจึงจะปฏิบัติถูกหลักในการเจริญวิปัสนาธรรมฐานนี่ก็เช่นเดียวกันบอกว่า ผู้ประสงค์จะเจริญวิปัสนากรรมฐานนั้นน่ะต้องทำความเข้าใจในหลักการเจริญวิปัสนาให้ถูกต้องเสียก่อนว่าวิปัสสนานี i คืออะไรเราก็ทราบกันแล้วว่าวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญาชนิดนนเมื่อคืนก็ได้แสดงปัญญาหกอย่างตามสัมมาทิฏฐิถูตปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรียกว่ากรรมวักตาปัญญา เรื่องกรรมและผลของกรรมนี่เขาถามว่าศาสนาอื่นเขาไม่สอนกันบ้างหรื อ, อกรรมผลหรืกรรมเนี่ยมีหรือไม่มีในรัที่ศาสนาอื่นไม่มีทําไมเขาไม่รู้จักเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหรือพอถ้าไปรู้จักเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วละ่ะก็เพราะผู้มีพระภาคพระศาส ด, ดาเของเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าลัทธิอื่นศาสนาอื่นพวกคริสต์พวกอิสลามเขารู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วเนี่ยพระยะโฮวาพระอาลาอะไรก็ไม่มีความหมายเลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่จะบันดาลสิ่งที่เราขอร้องบิงวลนขอร้องให้ได้เราปรารถนาอะไรก็ไปกราบไหวอ้อนวอนขอร้องแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่เราขอร้องต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะนั้นพอเรื่องมารู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็ปฏิเสธหมดปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลให้โลกและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามปรารถนาได้เมื่อเรารู้ความจริงในพระศาสนาเพราะฉะนั้นผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่จะบันดาลสิ่งต่างๆทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นนั้นเน่ไม่มี แต่ถามว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นในพุทธศาสนาสอนว่าใครท่านบอกกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์ได้แก่รูปขันธ์นามขันธ์นั่นเองกิเลสนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ชี้ตัวกิเลสคือตัวสมุทยัยชี้เอาตัวตัณหาโดยเฉพาะภาวะตัณหานี่เป็นประการสาคัญ เลยกลายเป็นว่าในลัทธิต่างๆทั้งหลายนี่ผู้ที่สร้างรูปนามกาันหาที่เขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้วิเศษผู้ยิ่งใหญ่ในคติของเขาเนี่ยในพระศาสนากลายเป็นกิเลสไปกิเลสนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่แท้จริงกิเลสนี้เราก็สรพบแล้วว่าก็ได้แก่พวกอากุศลเจตสิก โดยเฉพาะมีความโลภความโกรธความหลงนั่นเนองอกุศลมูลนี่เป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เพราะกิเลสเหล่านี้ไปทํากรรมไปทํากุศลกรรมอกุศลกรรมขึ้นมาและรูปนามขันท่าอัานเป็นผลของกรรมก็เกิดขึ้นเราเรียกว่ารูปนามขันท่านี่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปนามขันท่าอยู่แล้วเนี่ย อ้กิเลสก็พยึดรูปนามขันท่าไว้ใช้ต่อไปเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจากกรรมนี่เรื่ อ, อํานาจของกิเลสและกรรมพอเกิดขึ้นมาแล้วกรรมเขาก็ครอบงมจิตใจของสัตว์ของบุคคลทั้งหลายให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสกับกิเลสยึดรูปเป็นเรายึดนามเป็นเราน่ยึดรูปมาต้องการความสวยยึดนามมาต้องการความสุขยึดนามจิตมาต้องการความเที่ยง ยึดรูปยึดนาม ว, ว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราไปนี่กิเลสเขาก็ทำให้เกิดวิปลาสเราทำต่างๆ ท, งๆทงๆั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจความหมายว่าวิปัสสนานี้เป็นชื่อของปัญญาแต่ปัญญานั้นไปรู้อะไรไปเห็นอะไรปัญญานั้นไปรู้รูปรู้นามที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ ก็สามารถที่จะถอยถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นเราว่านามเป็นเราในการรับรู้อารมณ์ตามถาวรทั้งหกเสได้เพราะถ้ารู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเห็นก็นามเห็นเวลาได้ยินก็นามได้ยินเวลาได้กลิ่นก็รูปกลิ่นเวลาลิ้มรสก็รูปรสเวลาถูกต้องสัมผัสก็รูปแข็งอ่อนเย็นร้อนเก้งพึงเคลื่อนไหวเวลาคิดนึกทางใจก็รูปนั่งนอนยืนเดินนามง่วงนามฟุ้งนามสนุก นี่อารมณ์ต่างๆทั้งหลายที่มากระทบทวาร น, นั่นแหละนอกจากรูปนามแล้วไม่มีเว้นแต่ว่าเราจะไปสมมติบัญญัติกันขึ้นมาในภายหลังนั่นเองแล้วเราก็ติดอยู่ในสมมติบัญญตัตินั่นนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราเห็นถูกมีความเห็นใ้ถูกก่อนแล้วเราจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าเห็นผิดการปฏิบัติก็ผิด ปัญญามีหลายอย่างดังกล่าวแล้วว่าปัญญาที่รู้กรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตนว่ากรรมุนาวัตโโญญวติโลโก้กัญญานลีกรรมวุนาวัตติโลโก้กัญญาณการีกัญญานังตาปาการีจะตาปากา ร, รว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมของตนใครทากรรมดีย่อมได้รับผลดีมีความสุข ทำกรรมชั่วย่อมประสบผลได้เป็นความทุกข์เนี่กรรมเขากําหนดไว้ให้เพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนของกรรมนี่ก็จะติดตามรู้ได้ยากหน่อยหรือทําให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทําดีได้ชั่วก็มีทําชั่วได้ดีก็มีอันนี้เพราะไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมเขาให้ผลต่างขนาดกัน เวลาที่คนทำบาปเนี่ยแล้วเกิดได้รับลาบยศได้รับผนเสริญความสุขขณะที่ทำบาปลาบยศผเสริญสุขก็ลังไหลมาแต่เราศึกษาทำแล้วเราก็รู้ว่าพวกลาบยศันเสริญสุขเนี่ยเขาเป็นผลของกุศลกรรมแต่เผอิญไปได้มาตอนขณะทำอกุศลกรรม อกุศลกรรมยังไม่ให้ผลลาบยศสนเสริญสุขไม่ใช่ผลของอกุศลกรรมเป็นผลของกุศลกรรมแต่กุศลกรรมยังไม่ให้ผลเรารับอกุศลกรรมผลของอกุศลซะก่อนแล้วอันนี้ก็อกุศลทำยังไม่ได้ผลก็ผลของกุศลเขาส่งออกมาอนที่เรารับอยู่เนี่ยเป็นผลของกุศลเพราะนั้นบางคนที่ เขาเป็นนักเลงมีอิทธิพลบอกว่าเขาชาตินี้เขาสบายแล้วเขาร่ำรวย แ, แต่ว่าชาติต่อไปไม่แน่หรือแม้ในชาติปัจจุบันนั้นก็ตามไ ป, ไปถูกข้าปราบอิทธิพลเข้าไปเดียวก็ถูกสอบสวนว่างเงินทองได้มานนได้มาอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวเขาจะเรียกคืนไปกระด้ไม่แน่นอนถ้าผลของอกุสนกรรมให้ผลแล้วเราก็จะต้องประสบ ความทุกข์ประสบเพราะกรรมต่างๆทั้งหลายที่เราประสบปัญญารู้เรื่องกรรมนี่ยังไม่ทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดแต่ว่าก็มีประโยชน์ที่จะให้เราลากความชัว่วกระทำความดีตั้งอยู่ในความมีศีล ไ, ได้เรามีปัญญารู้กรรมเขสาสอนให้ทให้เรามีศีลเราคลัวบาปทาบุญก็ทำให้ศีลกุศลตั้งอยู่ได้ ส่วนปัญญาในการทําฌานทําสมถะกรรมฐานปัญญารู้อุบายทําจิตให้สงบได้ปัญญานี้เป็นเป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์แก่สมาธิรู้ว่าการทําสมถะกรรมฐานนี่สามารถข่มกิเลสนิวอนคือกิเลสอย่างกลางให้สงบระงับได้มีปัญญาแล้วก็เข้าใจแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานกันไปดกดด่น ถามาสมาาถะกรรมฐานนี่เขาเพิ่งจะมาทำกันในสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใช่ไหมบอกไม่ใช่เขาทำกันมาก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังจะทำต่อไปอีกเพราะเขาเชื่อว่าการทำสมถะนี่พอจิตสงบแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายเขาสอนกันอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลแล้วไม่ใช่ ว่าอารมณ์ของสมาธิกับอารมณ์ของปัญญาคุณละอย่างกันอารมณ์ของปัญญานี้ต้องเป็นสภาวะของปรมาภิธรรมของรูปของนามแต่อารมณ์ของสมาธินี่มันไปได้นิมิตเครื่องหมายในสมมติบัญญัติเสียไม่ได้ยั่งลงไปถึงสภาวะของนามของรูปนั่นพราะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องมีความเข้าใจว่าอารมณ์ของมิปัสนานั้นได้แก่อะไร โดยสรุปแล้วอารมณ์ของมวิปัสสนานั้นต้องเป็นปรมัต ธ, ธรรมคือนามรูปและนามรูปนั้นต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์เดือดกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขนาดนี่เราก็กล่าวไปแล้วว่ารูปที่กำลังปรากฏขึ้นนามที่กำลังปรากฏขึ้นเราถือเอามาเป็นอารมณ์ตั้งสติที่รูปปัจจุบันรูปปัจจุบนนันนามนามนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน ไม่ได้คิดไม่ไดีมีอยู่เฉพาะหน้าแต่เราไปคิดนะเหมือนบอกว่าคนทําสมาธิสงบแล้วเนี่ยบอกให้ยกสังขารขึ้นสู่ไตรลักว่าสังขารของเราในรูปนามฐันหน้านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาคือพุทุชนเราจะยกขึ้นสู่ใจลักเองไม่ได้ตรลักนั่นจะเกิดจากกําลังอํานาจของปัญญาเขา ได้รับการอบรมสั่งสมมาสั่งสมรู้สภาวะทำตามความเป็นจริงของนามของรูปนี่แหละในจนกระทั่งปัญญานี่ยมีกำลังแรงกล้าเห็นสภาวะของนามของรูปตามความเป็นจริงแหลเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของครับตรงความดับไปสิ้นไปนั่นแหละปัญญาก็จะเห็นโดยความไม่เที่ยงมีอยู่แล้วหมดไป มีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปหรือเห็นโดยความเป็นทุกข์ปัตภามักของรูปของนามที่กําลังเห็นอยู่นั่นน่ะเขาทนต่อไปไม่ได้จึงต้องแตกดับย่อยยับต้องสลายไปนั่นแหละเราเห็นโดยความเป็นทุกข์ความทนอยู่ไม่ได้แต่เขาเกิดดับจิตต่อสืบเนื่องกันไปอย่างเราไปบังคับบัญชาเขาไม่ได้ก็ เ, เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา นี่ก็เราจะเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเหตุ น, นั้นแหละสิ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในพุทธศาสนาแต่ไปเรียนรู้อย่างอื่นนอกจากรูปจากนามแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จะเป็นการรู้พุทธประวัติการรู้ เรื่องราวของสาววกต่างๆรู้ชาดกต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในการเจริญวิปัสนากรรมฐานได้เพราะขาดความรู้ในปรมตถธรรมตามความเป็นจริงของนามของรู ป, ปนั่นพูดหวังจะเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยต้องต้องมีนามมีรูปเป็นอารมณ์อยู่เสมอไป ตอนนี้เราเข้าใจนามเข้าใจรูปเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปหรือไม่ก็ เ, เคยได้กล่าวกันไปแล้วว่านามรูปนั้นเขาอยู่ในอารมณ์ขกปรากฏให้เรารู้ได้ในขณะรับอารมณ์ตามทวารทั้งขบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนนามรูปเขาประชุมกัน ที่ตามทวาร ต, ต่างๆในขณะรับรู้อารมณ์นั้นแต่ครณีปัญญาของเรายังไม่คล่องแคล่วยังไม่ว่องไวไม่สามารถจะจับได้ไล่ทันในอารมณ์ปัจจุบันนั้นได้เพราะว่าประเดี๋ยวเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รส ถ, ถูกต้องสัมผัสในสารพัดเข้ามาหลายทิศหลายทางหลายถวันพระพุทธองค์ทราบเรื่องนี้เข้าท่านตึงชี้ในเบื้องต้นว่า ให้พิจารณากายก็พิจารณากายไปหนึ่งหนึ่งกายเยกายานุปัสสีวิหาราติเมื่อจะพิจารณานามเวทนาก็พิจารณานามเวทนาไปหนึ่งหนึ่งบอกเวทนาสู่เวทนานุปัสสีวิหารา ต, าติเมื่อจะพิจารณาจิตเมื่อจะพิจารณาจิตก็ตามรู้จิตไปหนึ่งหนึ่งเห็นจิตที่เกิดนับติดต่อสืบเนื่องกันอย่างไม่ขาดสาย ก็สามารถทำลายนิจจา ว, วิปลาชได้เห็นธรรมทั้งรูปทั้งนามที่ประชุมกันเห็นธรรมตรงขณะที่เห็นได้ยินได้กลินล่นรู้รสจุต้องสัมพันธ์คิดนึกอารมณ์ในขันห้าประชุมกันนี่ก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญานั่นเองเพราะเหตุนั้นนะ่ะวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เห็นนามเห็นรูปเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุตามปัจจัยของรับ จึงรู้ว่านามรูปนั้นไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามีความรู้อย่างนี้แหละท่านยอมรับว่านี่เป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ว่ากว่าจะไปถึงวิปัสสนาปัญญานี่แหละไม่ใช่เราคิดนึกเอาว่าจะเห็นไตรลักษณ์เองกว่าจะไปรู้ถึงนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจุดแรกที่ปัญญาเขาจะรู้ก่อน ปัญญารู้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกกันเป็นกนท่านเรียกว่านามารูปปาปริเฉขยันจะส่งครลอดในวิปัสนาญาณอันที่หนึ่งก็พอได้นะแต่ว่ายังปัญญานั้นยังไม่เห็นรูปเห็นนามเกิดดับเฉพาะนายแต่ว่าในขณะที่ผู้ปฏิบัติโยนิโสมนสิการถึงในรูปอิระยาบนี้ก็ถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแหละรู้รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้วิปัสสนาปัญญาเกิดเราเรียกว่าวางทีเรียกว่าต้องเจริญสติปัฏฐานเมื่อเจริญสติปัฏฐานจนคล่องแคล่วดีแล้วเนี่ยยินทรีย์สังวรดีการสําสรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสํารวมได้ดี เมื่อพูดนั้นเจริญวิปัสนากรรมฐานต่อไปตามรูรูปรูนามที่เป็นไปในการเกิดขึ้นระดับไปของรับก็จะเห็นความเป็นจริงของนามของรูปโดยความเป็นจริงใดในปัญญาเราก็จะเข้าไปถึงความจริงของนามของรูปและความจริงในนามในรูปนี้ไม่ได้ประกาศอะไรอย่างอื่นเลยขาประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทุกนามทุกรูป เพราะนั้นอารมณ์ของวิปัสนาจึงได้แก่นม้มแค่รูปเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ใช่ส่วนประโยชน์ของวิปัสสนานี้เราก็กล่าวกันไปแล้วก็มีหน้าที่ละกิเลสทั้งหมดโดยละตั้งแต่วิปลาสสธรรมวิปัสสนาญาณเกิดนี้ก็ทำลายวิปลาสสัรธม ทั้งอัตตาวิปลาสสุภาวิปลาสสุขาวิปลาสและมิจฉาวิปลาสเกิดขึ้นไม่ได้เพราะปัญญาก็าไปรู้ความจริงของสภาวะนี่แหละประโยชน์ของวิปัสสนาเบื้องต้นเนี่ยก็ทำให้ทำลายวิปลาธสธัรมทั้งสี่ประการนี้แหที่เกิดจากอนนานาจของตัณหาลและทิเดิแล้วก็สามารถยังประโยชน์ถึงที่สุดคือ ทำให้หมดจดจากกิเลสทําให้แจ้งพระนิพพานพ้นจากวัฏทุกันด้วยอานิสงค์ของวิปัสสนาปัญญานี้เราก็ทราบว่าวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญาวิปัสสนามีประโยชน์ที่จะละเข้าไปถึงอนุสัยกิเลสทําลายวิปลาสธรรมทั้งสี่ประการแลน้อมนําไปให้แจ้งพระนิพพานหรือน้อมนำเอาปน้อมนําไปให้แจ้งพระนิพพาน คือให้สติสัมภิชัญญาไปให้ถึงพระพนิพพานเพราะเหมาะพระนิพพานนั้นไม่ได้เลื่อนลอยมาเป็นปัจจัยให้ใครรู้ได้เขามีอยู่ตามความเป็นจริงของเขาครับนี่ก็ประโยชน์ของมิปสนานั้นคือกล่าวกันโดยตรงก็คือทำให้พ้นทุกข์นี่แหละที่เราจะแส้งหากันว่าทำอย่างไรเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ พระพุทองค์ก็ตัสว่าเราก็ต้องดูทุกข์นั่นแหละเราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องดูทุกข์นั่นเองถ้าจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยไปทำลายทุกข์โดยวิธีการอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าทุกข์นั้นเขาเนื่องมาจากโมหะหรืออวิชชาเพราะเราไม่รู้ความจริงของรูปขันธ์ข้องนา ม, มาขันธ์นั่นเองแต่ว่า ไอ้ตัวสภาวะเขาก็มีอยู่ตามปกติของรัาเขามีทั้งรูปทั้งนามเกิดขึ้นตามปกติของเา่าเราจะดูหรือไม่ดูเราไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเกิดรูปนามเขาก็มีอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราไปรู้เขาก็ทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดวิปัสสนาภัญญาเกิดแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้ไปถึงมรรคสมาทิติผลสมัมราธิฏิ ทำให้รู้แจ้งแทงตลอดในอริ ย, ยสัจธรรมทั้งสี่ประการเพราะนั้นวิปัสนาคืออะไรนี้เราก็ทราบแล้วคือเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นนามรูปไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นนักตาณไม่ใช่ปัญญาไปเห็นอย่างอื่นไปเห็นเลขหวยสองตัวสามตัวอะไรไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นรูปนามเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุตาม ป, จปัจจัยกันทงสัก ส่วนธรรมที่จะอุปการะแก่วิปัสสนานี่เราก็กล่าวกันไปแล้วว่าได้แก่วิปัสนาภูมิบกหรือสติปัฏฐานสี่อุปการะตั้งแต่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องรู้จักกายเวทนาจิตและธรรมที่ตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างกายก็อยู่ตรงอิริยาบถเดินยืนนั่งนอน แต่ในกายยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ท่านแสดงคลุมไปถึงอารมณ์ของสมถะ ก, กรรมฐ า, านด้วยในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยเช่นอาณาปานะปัฏฐานมันเป็นผลงานของการทําสมาธิครับพิจารณาลมหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีติดตามสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หนึ่ง นิมิตต่างๆทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นตามอุปนิสัยของบุคคลคนนั้นอาจจะเหมือนแว่นแก้วเหมือนพระจันทร์วันเพนหรือเหมือนแม่น้ําหรือเหมือนบอ่อบ่อน้ําเป็นปฏิภาคนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถะกรรมาฐานและตัวปัญญาเข้าไปเห็นเข้าอย่างนั้นก็ยึดยึ ด, ดด้วยความปีติยึ ด, ดด้วยความโสมนัสเนี่ยอันนี้ก็ผิดจากปรมัตมธรรมไปไปได้บัญญัติอารมณ์เช่น เพราะฉะนั้นอารมณ์ของวิปัสสนานี่ต้องเป็นปรมัตุอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นต้องปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราจรึงจะรู้ว่าอารมณ์นั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาส่วนธรรมที่อุปการะในการเจริญวิปัสสนานี่มีอะไรบ้างคือมีอย่างไรประการแรกก็คือตัวรูปนามเนี่ยที่เป็นวิปัสสนาภูมิป รูปนามที่เป็นอารมณ์ให้แก่วิปัสสนานได้ท่านก็แสดงโดยขันห้าบ้างโดยอายตนะสิบสองบังโดยาาาธาตุสิบแปดบังอินทรีย์ยี่สิบสองบังสัจจะสี่ปฏิจจสมุปบาทบังก็แสดงเหตุผลของรูปของนามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นความสําคัญที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจก็คือ รูนามรู้รูปและรูนามรูรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ด้วยนามรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยถามว่านามรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นี่เป็นอย่างไรก็คือนามรูปที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าและเราถือเอานามรูปกำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาเป็นอารมณ์ เราก็เรียกว่าเรามีอารมณ์ปัจจุบันมีรูปเป็นอารมณ์มีนามเป็นอารมณ์เพราะนั้นตัวปัจจุบันอารมณ์นี้บอกว่าเป็นเป็นตัวปัจจัยอันสำคัญยิ่งทีเดวที่จะที่จะให้ผู้ปฏิบัตินี้กำหนดรูปนามรูปที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะนาดูรูปถูกรูปดูนามถูกนาม และปัจจุบันอารมณ์นี้มีความสำคัญมากในการเจริญสติปัฏฐานและการเจริญวิปัสนานเพราะสามารถทำลายอภิชาและโทมนัตและรวมไปถึงอวิชาส่งให้วิปัสนาพัญญาแจ้งพระนิพพานปัจจุบันอารมณ์นี้เราจะได้มาอย่างไรความจริงเขาก็มีอยู่ตามปกติรูปกายของเราก็อยู่ตามปกติ จิตใจของเราเก็เป็นไปตามปกติเราจะดูหรือไม่ดูก็ตามเขาก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่ตามธรรมดาแต่ปัญหาที่ตั้งถามว่าอารมณ์ปัจจุบันนี้ได้มาจากไหนก็บอกได้มาจากสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องก็ทำให้อินทรีย์สังวรเกิดขึ้น คือความสำรวมระวังในการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจดีสีสังวรเกิดขึ้นเนี่ท่านบอกว่าจักปุนาสังวโรโสตุว่าบุคคลใดสำรวมการรับรู้อารมณ์ทางตาได้ว่าเป็นนามเห็นได้พระพุทธองค์สาธุอนุโมทนานบุคคลใดสำรวมคือมีสติ อมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ที่กายที่รูปรขันนี่หนึ่งหนึ่งท่านก็สาธุหรือระลึอกยุอยู่ที่เวทนานามเวทนาหนึ่งหนึ่งนีง่ท่านก็สาธุระลึอกอยู่ที่นามจิตท่านก็สาธุระลึกอยู่ที่ธรรมทั้งรูปทั้งนามเวลาทำอันใดอ่อนไปทำอันใดแก่กล้าไปนี่ก็อยู่ในขอบเขตของขันระลึกถึงรูปถึงนาม พระนารูปนามนี่เขามีอยู่ตลอดเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ตามถาวรทั้งหแต่ครนี้เราจะถือเอารูปมาเป็นอารมณ์หรือจะถืออานามมาเป็นอารมณ์ที่นามรูปในพระราทฏให้รู้ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะจับเอานามหรือจับเอารูปหรืก็บอกว่าข่อสุดแล้วแต่ไอ้ตัณหาและทิฏฐิมันยึดอยู่ในนามหรือในรูปถ้าโดยการเห็นเนี่ย เขายึดอยู่ในนามเพราะการเห็นนั้นไม่ได้ไม่ได้ประสบกับอารมณ์ของรูปารมณ์โดยตรงไม่ได้ประสบกันโดยตรงเพราะนั้นนามเห็นนี่ถ้าเรารู้สึกในขณะที่เห็นนั่นแหละว่าเป็นนามเห็นนี่ก็ได้ก็เรียกว่า ร, รู้ปัจจุบันอารมณ์ได้โดยตรงแต่ถ้าเราคิดนึกเอา ว่านามเห็นน้มได้ยินได้กลิ่นรู้รสเรารู้จัจกชื่ออย่างนี้ตัวสติปัญญาไม่ได้จับสภาวะของนามเห็นนามได้ยินทั้ง ท, งที่นามเห็นนามได้ยินนั้นมีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเราจับอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้ถ้าจะจับปัจจุบันอารมณ์ให้ได้แล้วก็จะต้องมีมณติการจับอยู่ที่รูปที่นามที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะน่นี่แหละ ปัจจุบันอารมณ์นั้นจึงเป็นของยากท่านจึงตั้งปัญหาถามว่าปัจจุบันอารมณ์เนี่ยได้มาจากไหนบอกก็ได้มาจากการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเพราะการเจริญสติปัฏฐานนี่ท่านบอกว่าจัตตาโรโอสติปัฏฐานาพาวิตาพระหูลิกาตาอินทริยะสังวรสีรลังลปริโุเรนติเพราะสติปัฏฐานนี่มาเจริญให้มากแล้ว อินทรีสังวรเขาบริพุนยินทรีสังวรก็เกิดขึ้นคือความมีสติรู้เท่าทันต่อปัจจุบันอารมณ์ที่เขปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองบกขณะที่มีความสังวรระวังอยู่ในการเห็นได้ยินได้ฝีนรู้รสจกต้องสัมผัสการรับรู้อารมณ์ทางใจตรงขณะนั้นแหละสติสัมปชัญญะมีกําลังมาก สามารถที่จะทําลายวิปลาสธรรมที่เป็นเครื่องปิดบังไท ร, รัพย์ทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นได้บอกว่าฉะนั้นนามรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นี้จึงมีความสําคัญยิ่งทีเดียวในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้นิพพานก็เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้ให้ตัวสติปัญญาจับรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงได้ ก็คือรูปนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นส่วนในข้อถัดไปบอกว่าทมที่อุปการะต่อการเจริญวิปัสสนามีอย่างไรนี่ด้วยรูปนามในเราพูดกันแล้วอันนี้แหละเป็นปัจจัยเป็นอารมณ์ปัจจัยโดยตรงถ้าดูรูปที่กำลังปรากฏดูนามที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์ให้แกสติปัญญารู้เฉพาะหน้าในขณะนั้น นี่เป็นเป็นปัจจัยของปัจจุบันอารมณ์เพราะนั้นถ้าอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นมาไรก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะในขณะนั้นมีกําลังแข็งแรงมั่นคงดีขึ้นขนาดเพราะสามารถทําลายวิปลาสธรรมและเครื่องปิดบังไครรักทําให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นรูปเห็นนามเนี่ย บอกว่าปัญญายังผิดบางนามรูปอยู่ยังไม่รู้นามรูปตามตามเป็นจริงแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจของเราเราจะเริญสติปัฏฐานในอุรยาบทระพันสติสัมชัญญะเราจดจ่อต่อรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินที่เป็นปัจจุบันอภิชาและโทมนัสเขาเกิดไม่ได้ความยินดียินร้ายเกิดไม่ได้แต่ว่า ไอ้ตัวนามรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นแหะจะต้องเป็นอารมณ์ที่รับรองสติรับรองในสติปัฏฐานนั่นเองกรนีธรรมที่เป็นอุปการะแก่การเจริญวิปัสสนานั่นแหะท่านหยิบยกอาเบื้องต้นนั้นสติปัฏฐานสี่และมีธรรมที่อุปการะสติปัฏฐานนี่มีอีกมาก ยานสิบหกวิปัสสนาญาณเก้าแล้ววิสุทธิเจ็นี่ท่านก็แสดงหลักฐานว่าจะต้องอาศัยญาณปัญญาในการพิจารณาดูรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็ปัญญายา น, นั้นจะเกิดขึ้นโดยลำดับครั้งแรกจะแยกรูปแยกนามออกจากกันครับเรียกว่านามารูปาปริเฉษยาน แยกรูปแยกน้ำออกจากกันได้เมื่อไหร่แล้วลราก็เราก็จะเห็นปัจจัยของนามของรูปโดยรูปเป็นปัจจัยแก่น้ำบ้างน้ำเป็นปัจจัยแก่รูปบ้างแล้วช่วยกันทําสลับสลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นตัวอุปการะแก่วิปัสสนานี่ก็ส่วนมากก็เป็นพวกโสภณะธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดีมะก็มีสติมีสัมปชัญญะและเคร่งเพียรนี่ก็ จะอุปการะแก่จิตให้เข้าไปรู้ความจริงของอารมณ์นั้นเองขณะนี้ส่วนธรรมที่ปิดบังไตรลักษ์บอกว่าธรรมที่ปิดบังไทรลักษ์ได้แก่เราก็จะต้องรู้จักไทรลักษ์ซะก่อนรู้ก่อนว่าไทรลักษ์นี่มันคืออะไรไทรลักษ์คือลักษณะสามประการ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้ำตาลักษณะของใครสามอย่างของเราหรือของนามของรูปเขาของนามของรูปเขาโดยที่เราไม่ต้องไปจัดแจงอะไรขึ้นมาเขามีปรากฏอยู่เป็นปกติธรรมดาเนี่ยแหละเราจะดูหรือไม่ดูก็ตามเถอะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเถอะรูปนามเขาตรวจดับผิดต่อสืบเนื่องกันอย่างไม่ขาดสั่อันนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า รูปนามเขาเกิดดับอย่างรวดเร็วนั่นแหละเราไม่มีปัญญาที่จะแหลมคมจะไปเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปได้ทันทีแต่ต้องอบรมให้สติให้ปัญญามีกำลังแรงกล้าแหลมคมสักแบบเพราะนั้นถ้าสติปัญญายังไม่แรงกล้ายังไม่แหลมคมแล้วแล้วก็เราจะไม่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของนามของรูปแต่ท่านใช้บอกว่าทำที่เป็นเครื่องปิดบังใจละ ทำที่เป็นเครื่องปิดบังไตรลักภัยให้เห็นอานิจังทุกขังนาตารอะไรความจริงก็กว้างขวางมากเพราะไม่เพราะไม่ได้เรียนรูปนามตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างคนไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเรียนถ้าศึกษาแล้วละก็ เราเรียนเราศึกษาแล้วล่ะก่อนเราก็รู้ว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงเราก็รู้ดแต่ถึงกระนั้นก็ตามเธอยังไม่สามารถเห็นได้เพราะรูปนามนั้นเขาเกิดดับอย่างรวดเร็วมากเราไม่เห็นรูปนามโดยความเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุตามปัจจัยครับเพราะนั้นสันตติความสืบต่อของรูปใหม่นามใหม่เนี่ยเขบอกว่า ปิดบังอานิจังทำให้สติปัญญาเราไม่เห็นเงื่อนขาดของนามของรูปเมื่อปิดบังอานิจังแล้วเนี่ยก็ทําให้สําคัญผิดว่ารูปนามขันธานั้นเที่ยงเพราะไม่เห็นบวาความไม่เที่ยงเห็นแต่เห็นแต่ความเที่ยงอยู่นีสันสติปิดบังอานิจังเพราะไม่ได้พิจารณาีิริยาบทจึงไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกข์เนี่ยไม่ได้พิจารณาีรรยาบทเราดูแต่ว่านั่งนอนยืนเดินเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรแต่ถ้าพิจารณาียรยาบทแล้วต้องรู้ว่า น, นี่รูปอะไรนี่นามอะไรนี่ต้องรู้ด้วยนี่ท่านบอกว่าเพราะไม่ได้พิจารณาียรยาบทนี่จึงไม่เห็นทุกข์ทำให้สำคัญผิดว่ารูปนามกาน้านั้นเป็นสุขเพราะไม่ได้ดาาไตามรู้เขาไม่เคยตามรู้ครั เราเลยสำคัญเอาเองคิดเอาว่ารูปนามน้ให้ความสุขกายสบายใจแกเราได้และประการสุดท้ายเครื่องปิดบังใจรักประการสุดท้ายบอกว่าคณะสัญญาคือความรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของรูปของนามปิดบังอนาาัตตาปิดบังไม่เห็นความจริงของนามของรูปแยกกันคุณละส่วนมาอยู่ในอานาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของ นี่ปัญญาเรายังไม่แหลมคมพอที่จะแยกรูปแยกน้ำออกจากกันได้เพราะรูปนามเนี่ยจะใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อื่นๆต่างๆทั้งหลายแยกเขาไม่ได้แยกรูปแยกน้ำออกจากกันไม่ได้ใครเราเป็นผู้แยกรูปแยกน้ำออกจากกันได้ปัญญาปัญญาที่ตั้งแต่เริ่มต้นเราศึกษาเราเรียนเนี่ยรูปเดินรูปยืนรูนั่งรูปนอนนี่เป็นรูปนาะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่ารูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นรูปก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาไปตามพิจารณาตามพิจารณาดูให้เห็นว่าขณะเดินเนี่ยมีความรู้สึกอยู่กับรูปเดินจริงๆขณะนั่งก็มีความรู้สึกอยู่กับรูปนั่งจริงๆขณะนอนก็มีความรู้สึกอยู่กับรูปนอนจริงๆให้สติให้ปัญญาเราจับสภาวะของอารมณ์ตามความเป็นจริงเราก็าจะไม่วิปลาสคลาดเคื่อนไม่ผิดเพี้ยน บอกว่าถ้าเรามีความเห็นผิดความสําคัญผิดว่ารูปนามกาันห้าเป็นอัตราตัวตนแล้วแล้วก็ทำที่เป็นเครื่องปิดบังใจรักทั้งสามประการนี้ก็จะทําลายเพราะเขาจะถูกทําลายลงไปด้วยการเจริญสติปัฏฐานทางเดียวถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วก็สามารถที่จะละวิปลาสธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ลงได้ อันนี้เมื่อเราได้ทราบเหตุผลเบื้องต้นมาพอสมควรว่าการที่เราจะประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนี่ให้วิปัสนาปัญญาเกิดคือปัญญาเข้าไปเห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นลาาัตษาะเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนรูปธรรมนามธรรมที่มีอยู่ในตัวเราให้เข้าใจว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนั่งเป็นรูป ยืนเป็นรูปเดินเป็นรูปนอนเป็นรูปนี่ต้องเรียนนามรูปให้เข้าใจเรียนรูปให้เข้าใจยิรยาบทรูปเดินยืนนั่งนอนนี่หน้าที่เรามีใช้เอารูปเดินยืนนั่งนอนนี่ที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั่นน่ะเอามาเป็นฐานรองรับสติรองรับปัญญาเพราะนั้นตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติ ต, ต, ตัวปฏิบัติทำ ที่จะทำการกาจัด ก, กิเลสสติปัญญาและความเพียรอาตาพีสัมปชานโนสติมานเป็นตัวปฏิบัติทำก็คือเป็นตัวแทนของศีลของสมาธิของปัญญานั่นเองที่เขาจะละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติเนี่ยก็ละ กั้นกิเลสอย่างหยาดตลอดทั้งขั้นทิมนิวรณ์ด้วยสติเตสังนิวรณังสตินั้นเป็นเครื่องกั้นกระแสของนิวรณนี่การที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าการปฏิบัติในทางพระศาสนานั้นเพื่อการละกิเลสมีวัตถุประสงค์ประการละกิเลสอย่างเดียวในการปฏิบัติทำตามคําสอนของพระอาจาย์ และไม่ใช่เฉพาะการปฏิบัติอย่างเดียวนะที่ละกิเลสแม่การเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเรียนให้เขาไปถึงความเห็นถูกเห็นสภาวะธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือรูปคือนา ม, ม น, นั่นเองเพราะนั้นส่วนมากเราไปเรียนภาษาค่ะไปเรียนภาษาบาลีเรียนบาลีวายคอเลยก็ไปติดอยู่ในศับแสงบาลีซะ พระนักศึกษานี่ยังติดใจเอาไอซีดีเอาเทพมาออกเช้าๆเนี่ยคำนี้เขาหมายความว่ายังไงเราพิจารณาแล้วเอ๊ะนี่เป็นอารมณ์ของปัญญาหรือเปล่าเอาศัพ์มาอธิบายกันเป็นอารมณ์ของปัญญาไหมมันไม่ถึงรูปถึงนามเนี่ยมันไม่ถึงรูปถึงนามมันก็ยังไม่ถึงอารมณ์ของปัญญาเพราะนั้นเถึงอารมณ์ของปัญญาเนี่ยมันต้องไปถึงรูปถึงนาม หมายถึงวิปัสนาปัญญาแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรรมเรื่องกุศลกรรมกุศลกรรมนี่ก็เป็นปัญญาในขั้นของกรรมสักตาปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะนี่เราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินได้ว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์แค่ไหนถ้าเป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยได้ปรมาสกประโยชน์ทําให้เราพน้นทุกข์ได้ แต่ถ้าเป็นอารมณ์ของศรัทธาเรายังไม่ถึงปรมาติประโยชน์ได้ประโยชน์เฉพาะที่จะทำให้กระถำประโยชน์หรือประโยชน์พบหน้าชาติหน้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้นี่ไม่ใช่เป็นพุทธประสงค์โดยตรงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องการที่จะรื้อสัตว์ผลสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์การสร้างบารมีมาเสียสงไขแสนกลับ เพื่อจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พนจากวัตจัทุกข์แล้วยานปัญญาเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตั้งพระศาสนาได้หรือจะปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้มีอยู่สามประการทั้งส่วนที่เป็นปรมัจา์เป็นบัญญัติอาศญาณุสยญาณปัญญาที่รู้อนุสัยกิเลสของบุคคลโดยเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อท่านประสงค์จะรู้ท่านก็สามารถที่จะยังรู้ได้และปัญญาที่จะยังรู้การอบรมอินทรีย์ของสัตว์นั้นมีความเข้มข้นแก่อ่อนค่อนฉลาดแค่ไหนเพียงใดรู้ว่ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญามากน้อยแค่ไหนเพียงใดท่านก็จะให้อารมณ์ไปตามจริตตามอุปนิสัยของบุคคลผู้ปฏิบัติแต่เรื่องอารมณ์ที่จะให้ใหได้ ได้รับความสุขในโลกนี้ได้รับความสุขในโลกหน้าหท่านกล่าวโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปในบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสามประการให้เป็นทิฏฐธรรมิกธรรประโยชน์เราได้ยินได้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงเรื่องกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมา แต่เรารู้เพียงแค่โลกียกรรมรู้อกุศลกรรมคือทำบาปทางกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตรู้กุศลกรรมคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่แหละก็ละกรรมชั่วกระทำกรรมดีทําให้เราได้รับมนุษยสมบัติได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้ความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะอบรมจิตใจของเราเนี่ยเพื่อขูดกล่าวกิเลส ตั้งแต่เรียนธรรมะเลยทีเดียวถ้าเราเรียนไม่เข้าถึงความริงของสภาวะแล้วล่ะก็มันไปทำลายอาวิชชาไม่ได้ทำลายอาวิชชาไม่ได้ทำลายโมหะไม่ได้เพราะนั้นการเรียนของเราเนี่ยจะต้องเรียนให้เข้าถึงสภาวะของปรัตญาธรรมแต่รู้จักเพียงชื่อก็ไม่ได้ต้องรู้จักตัวสภาวะนั้นด้วยเราจะบอกว่ากุศลาธรรมะ แด้แก่กุศลจิตยี่ิบเอดเจสิบสิบปดที่ประกอบบอกแค่นี้แลวกุศลจิตยี่สิบเอดนั้นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่จำได้หรือได้แยกแยะออกไปก็ได้ว่ามหากุศลจิตแปดมหาคตะกุศลเก้าโลคุตระกุศลสี่เป็นยี่สิบเอ็ดเราก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติอีกนะว่าที่จะปฏิบัติให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นนั้นน่ะ ทำอะไรบ้างจิตใจของเราที่เป็นมหาคุสลจิตที่เราประกอบคุสลจิตในขั้นของการมาวาจรคุสลเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วจึงจะส่งผลให้เราไปได้รับความสุขกายสบายใจในภพชาตินี้ท่านกระชีงง้ง่ายๆศีลคุสลถ้าบุคคลเรามีศีล ศีลกุศลประทมจิตใจของเราเด็ดแล้วล่ะก็กิเลสอย่างห ย, ยาบเกิดไม่ได้แต่ทีวิธีการว่าถ้าเรามีศีลอยู่แล้วล่ะก็ทุจริตกรรมเกิดไม่ได้เพราะทุจริตกรรมนั้นเป็นกิเลสอย่างหยาบออกมาจากกิเลสอย่างหยาบที่ทํากายทุจริตวาธีทุจริตนั้นถ้าเรามีศีลแล้วก็เกิดไม่ได้แล้วมีอานิสงส์แค่ไหนล่ะเรามีศีลแล้ว ให้ได้รับความสุขในปัจจุบันชาติเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางเพศไม่พูดโปดไม่เสพชูลายไม่ไรเราก็มีความสุขในการมสามสุขในปัจจุบันชาติไม่ต้องได้รับโทษอาญาต่างๆทั้งหลายใครจะเอาไปลงโทษติดคุกติดตารางไม่ได้เพราะเราไม่ฆ่าใคร ยุงสักตัวก็ยังไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนี่คนเราที่มีศีลกุศลนั่นก็รักษาความดีของตอนเองไว้ให้จิตใจนั้นเป็นกุศลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางเพศกายทุจริตไม่มีแต่โดยอุบายในการที่เราจะตั้งเจตนาไว้ก็ตามหรือจะละเว้นเฉพาะหน้า ที่มีอารมณ์มาปรากฏมีอารมณ์ที่จะให้ทำทุจริตกรรมมาปรากฏแล้วก็ละเว้นไปเราเรียกวิรติอันนี้เป็นเจตสิกศินเราศึกษาเราเรียนมาแล้วสัมมาวาจาสัมมากมามมตสัมมาชีวะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ไปตามความหมายที่เขาแปลกันสัมมาวาจาบอกเจรจาชอบสัมมากมามมตการงานชอบสัมมาชิวะเลี่ยงชีบชอบ วิรตีนี่ท่านหมายถึงเว้นเว้นนั่นแหละเป็นการทําความดีงามแหละแต่ไม่ใช่ไปทําไม่ใช่กิจเกี่ยวกับการทํากิจกับการเว้นเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยยุงกัดเราเราเนื้อมือจะตกไม่ข่าวเว้นไม่ใช่เกี่ยวกับการทําการงานชอบละ่ะแต่การเว้นนั่นแหละเป็นการทําการงานชอบศีลก็เกิดขึ้น เนีีลก็เกิดขึ้นเราเห็นทรัพย์สมบัติของใครเขามาวางล่อตาล่อใจไว้ไม่ใจ่ของเราเราก็ไม่เกี่ยวข้องครับเวน้นแจกยับยั้งชั่งใจไม่เราเมิดไม่ล่วงเกินเราก็เวน้นนี่ก็สามารถที่จะเว้นจากกายทุติิตบุตรเขาเมียใครเราทราบเขาแล้วเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องครับเราก็เวน้น เนี่ยเว้นจากกาเมเองนี่เราก็ตั้งอยู่ในศีลเหมือนกันแต่ไม่ได้ต้องเจตนาหรอกแต่เมื่อมีอารมณ์อันจะพึงเว้นมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเรียกว่าวิรมิตรภวัตถุอารมณ์ที่จะพึงเว้นมีสัตว์ที่จะให้ข้ามีทรัพย์ที่จะให้รักมีผู้หญิงผู้ชายที่จะให้ร่วมเกินเราเว้นสักนี่การเว้นเฉพาะหน้านี่เรียกว่าวิรัตวิรติวิรัตรน่ะก็มีหลายอย่าง มีสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตสมุทเทศวิรัตสัมปัตตวิรัตก็เว้นโดยวิรตีเนี่ยเว้นเฉพาะหน้าที่มีอารมณ์มันจะถึงเว้นมาปราบมียุงมากัดเราจะตบมือฆ่าไม่ฆ่าครับเอาพัดโบวกวีไปหรือเอาผ้าโบวกวีไปไม่ฆ่าเขาให้เขาไปหากินที่อื่นอย่ามารบพวนเราเรไม่ฆ่าสัตว์ครับหรือไม่รักทรัพย์นี่เราก็เว้นจาก ่ากายทุจริตด้วยวิรัติด้วยสัมมากรรมตะแต่ถ้ามีเรื่องราวที่เราจะพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อเราเว้นซะเราถือว่าถ้าเปล่งออกไปแล้วล่ะก็ด้วยอำ น, นาจของอกุศลทําให้จิตใจเราเศร้าหมองผู้ฟังก็เดือดร้อนใจเราก็หยุดเสียไม่พูดเราไม่เกิดจิตใจเราก็ไม่เศร้าหมองผู้ได้ยินได้ฟังก็ไม่เกิดความเศร้าหมอง เราก็เว้นกันอันนี้เรียกว่าสมาวจาเว้นจากการพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอิดนี่เราเว้นใช่ไหมเราทเร็จศีลไปเพราะนั้นศีลนี่ให้สาเร็จเหตุให้สาเร็จศีลได้หลายอย่างเจตนาสมาทานก็เป็นศีลการเว้นก็เป็นศีลประการที่สามาการสังวรมีสติสังวรอยู่ ในการรับรู้อารมณ์ทางทวารตาหูจมูกลินกายและใจไม่ถือเอานิมิตไม่ถือเอาอนุพัญชนะคือไม่ถือเอาบัญญัติอารมณ์นี่ก็ต้องถือเอาสภาวะของปรมตัต a อารมณ์ถือเอานามอารมุปเป็นอารมณ์นั่นแหละเราก็สามารถจิตเวทนได้ยินสี่สังวรนี่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานโดยตรงยินสี่สังวรนี่ศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์แต่พวก สังวรอย่างอื่นเนี่ยมีไม่บริสุทธิ์ก็มีบริสุทธิ์ก็มีเช่นเจตนาสมาทานเนี่ยเราสมาทานศีลเนี่ยเพื่อให้ได้หลับได้ภูทรัพย์เราปรารบภูกรสมบัติปราลบภพบสมบัติรักษาศีลเพื่อให้ได้อา น, นิสง์บอกว่าศีลต้องให้ได้โภูทรัพย์ได้โภูกสมบัติ เพราะเรามีศีลแล้วความจับจ่ายใช้สอยชู้รุ่ยชู้ไร่ก็ไม่ไม่จับจ่ายใช้สอยมีความระมัดระวังในการที่จะใช้ทรัพย์สินเงินทองไปในทางที่ไม่ทุกข์ไม่กวนนี่ก็ย่อมให้ได้มาซึ่งภพกับทัพย์คนมีศีลแล้วก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันไม่เกี่ยวกันคืนไม่ต่างต่างทั้งหลายนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตั้งอยู่ในศีลได้แต่ว่าปรารบเพื่อความได้ พกกระซับหรือปาลารบเดิไปเกิดในที่ที่ดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยอย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์แต่อย่างปรารบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่ต้องปราลบพระนิพพานศีลที่เราสมาทานแล้วหรือเรารักษาศีลแล้วเนี่ยต้องปราลบพระนิพพานนี่ปราลบพระนิพพานเนี่รักษาศีลอย่างไรถึงจะปลาลบพระนิพพาน เรารู้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าหมดจดจากกิเลสละกิเลสได้แล้วก็แจ้งปณิพันธ์เราก็รักษาสีเพื่อละกิเลสเทอาละกิเลสอย่างหยาบที่จะปรากฏขึ้นเนี่ยเราเพียรพยายามที่จะละเสียแต่สีนั้นก็ละละได้โดยคืออภิสุจนธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้ น, น่องก็อาจจะด้วยสังวรด้วยสำรวมระวังก็ได้อันนี้ก็ เป็นวิธีการในพุทธศาสนาของเราที่จะมีการประพฤติปฏิบัติเพื่อการละกิเลสตั้งแต่การเรียนการศึกษาเป็นต้นไปเรียนเราก็ต้องเรียนให้บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ลราที่ได้กล่าวไปแล้วว่าท่านมหาองค์หนึ่งที่วัดสามพรยาได้ยินได้ฟังถามมาโยมว่ายังไงนะเรียนบริสุทธิ์ เรียนเอาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนี่มันไม่บริสุทธิ์หรือเรียนนักธรรมที่สอนกันเนี่ยหรือเรียนบาลีที่สอนกันเนี่ยเรียนอย่างนี้มันไม่บริสุทธิ์หรือถามว่าท่านเรียนเอาอะไรล่ะเรียนเอาชั้นเออไม่ใช่เรียนเพื่อลักิเลสไม่ใช่เอาความรู้ไปเพื่อลักิเลสแล้วมันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านก็สงสัยถามว่าแล้วเรียนยังไงเอาความรู้ไปละกิเลสเนี่นแะเรียนยังไง เรียนเอาความรู้ไปละกิเลสนี่ยเรียนไปรู้อะไรมันถึงจะละกิเลสได้รู้อะไรอ่ะเรียนรู้อะไรถึงจะไปละกิเลสได้รู้รูปลูน้ำคือต้องไปรู้รูปรู้นามถ้าเรียนไม่รู้รูปรู้นามเนี่ยไม่เข้าถึงรูปถึงนาม่ะละกิเลสไม่ได้ต่อให้ได้ประโยคน์ก้าวเขาไปละกิเลสไม่ได้เพราะไปเรียนจําพยัญชนะไปไม่ใช่เรียนไปเพื่อรู้ความจริงไปละโมหะ เราเรียนแล้วต้องเรียนละกิเลสละโมหกิเลสละความไม่รู้เนี่ยให้เกิดความรู้ขึ้นนั่นแหละถึงจะเป็นการเรียนถูกการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันปฏิบัติบอกว่าต้องมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่ไหนละ่ะตั้งอยู่ที่รูปที่นามนะสติสัมปชัญญะเราจะไปตั้งอยู่ที่นักทำตรีโทเอกอะไรงี้ไม่สําเร็จนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์ต้องอยู่ที่รูปที่นามนะั่น พนันการเรียนถูกแลวถึงปฏิบัติถูกถ้าเรียนไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกพนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านที่จบชั้นสูงๆมาแล้วไม่เคยเจริญสติปัฏฐานสักทีหนึ่ง น, นี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจคำสอนในพุทธศาสนาได้นี่พราะนั้นอันนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่า ถึงแม้เราศึกษาเราเรียนแล้วก็ตามเถอะเราไม่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติเรีนเราเรียนรูปเรียนนามแล้วเนี่ยเรียนจิตเจตสิกรูปนิพานแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่เห็นไตรลักษณ์สักทีหนึ่งเนี่ยเรียนจิตเจตสิกรูปนิพานแล้วเนี่ยได้มดจบชั้นเรียนชั้นสูงแล้วเอ๊ะไม่เห็นไตรลักษณ์สักทีอันนี้เราก็นต้องพึงเข้าใจว่า ใจ ร, รักนั่นอะ่ะไม่ใช่ได้มาด้วยการเรียนไม่ใช่เฉพาะการเรียนการศึกษาท่านจะให้ได้ไต ร, รักขึ้นมาไต ร, รักนั่นจะได้มาด้วยการปฏิบัติเพราะนั้นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาขนามของรูปนี่ไม่ใช่ได้มาด้วยการศึกษาเราเรียนและก็ไม่ใช่ได้มาด้วยการคิดนึกเอาคิดนึกเอาอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านบอกว่าทำสมาธิ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อจิตสงบดีแล้วแล้วก็พายกสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยกยังไงล่ะสังขารนี่ไอ้สังขาร น, น, านิมิตก็คือรูปนามเนี่ยเรายังไม่เคยกำหนดรู้เลยแลวอยู่ๆพอจิตสงบแล้วจะพายกสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์ก็จึงมีปัญหาถามท่านไปว่าเราจะนึกเอาใช่ไหมว่านามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรตา เราบอกไม่ได้ต้องยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในทางของสมถะและวิปัสสนาด้วยกันก็ยกสู่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์จะยกยังไงไตรลักษณ์นี่เรายกทุกขึ้นมาไม่ได้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเนี่ยเรายกเขาขึ้นมาไม่ได้แต่เราพูดโดยโวหารนี่อาจจะได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ได้รูปนั่นแหละเขประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา น้ำนั่นแหละเขาประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาถ้าเราจะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เราต้องดูที่รูปที่น้ําก็ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่เขาอยู่ที่รูปที่น้ําแต่ถ้าเราไปทําพุทโธแล้วจะไปอยู่ๆจะไปเอาไตรลักษณ์เป็นมานี่ไม่มีเหตุผลไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องได้อ น, นนี้เราก็ตัดไปถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทําสมาธิแล้วเราจะนึกไม่ได้เลยว่า สังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนะัตตาเดี๋ยวนี้เราก็นึกกันดะเพราะนั้นเราเรียนแล้วเรียนรูปเรียนนามแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เพียรพยายามที่จะ ก, กําหนดที่รูปที่นามแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นความเกิดดับของนามของรูปเมื่อไม่เห็นความเกิดดับของนามของรูปแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่เห็นอานิจจังเมื่อไม่เห็นอานิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็สําคัญว่ารูปนามขัน่านั้นเที่ยงนี่เจา้าู่ปราสน หรือแม้ในการพิจาราญิยาบทก็เหมือนกันท่านบอกว่าถ้าไม่ได้พิจารณาียาบทแล้วไม่เห็นทุกข์เราไม่ได้พิจารณาียาบทแล้วยาบทเราเดินยืนนั่งนอนแล้วบางท่านบอกว่าคืออาการของรูปเน่ยมันเปลี่ยนแปลงไปรูปเดียวกันนั่นแหละรูปนั่งนั่นแหล ะ, ลหละเดี๋ยวมันก็ยืนยืนแล้วมันก็เดินเดินแล้วมันก็นอนแล้วก็นั่งไอ้รูปอันเดียวกันนั่นแหละ เห็นว่าการเดินยืนนั่งนอนนั้นเป็นอาการเปลี่ยนแปลงของรูปอันเดียวกัน เ, ลเปลี่ยนแค่อาการเปลี่ยนแค่อิริยาบถนี่เราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้รูปแม้ที่ยังไม่เปลี่ยนยาบทมันก็เป็นคนละรูปกันแล้วถ้าโดยเหตุผลของสภาวะแล้วนี่รูปมันเกิดดับทุกสิบเจ็ดขณะจิตยิงอยู่ถึงแม้เราจะตั้งอยู่ในยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตาม ถ้ามันเกินสิบเจ็ดขณะจิตไปแล้วไอร้รูปนามมันก็เกิดดับมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่เพราะเราไม่ได้พิจารณาเขาไม่ได้พิจารณาที่อิริยาบถเราก็จึงไม่เห็นว่าอิริยาบถนั้นเป็นทุกข์แต่เมื่อไม่เห็นว่าอิริยาบถเป็นทุกข์ก็สำคัญมาอิริยาบถนั้นเป็นสุขก็เหมือนอย่างที่ชาวูกเขาปรารบกกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ถามว่าเขาเดินยืนนั่งนอนทาไมเขาต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันก็อยากได้ความสุขจะเดินให้สบายยืนให้สบายนอนให้สบายนั่งให้สบายนั่นแหละแล้วถามว่าเปลี่ยนยาบททาไมก็เปลี่ยนไปเพื่อให้ได้ประสบกับความสุขนั่นเองไอ้ของเก่ามันเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนใหม่ให้ได้ความสุขไปอันนี้มันไม่ตรงตามความจริง มันนั้พุทธอง์ถึงบอกว่าเมื่อเราดูรูปดูนามตามความเป็นจริงแล้วแล้วว่ารูปนามเขาก็ประกาศทุกให้เรารู้เมื่อเราดูรูปมีรูปมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามอยู่เสมอเสมอแล้วเดี๋ยวรูปนามเขาก็บอกรูปเป็นทุกนามเป็นทุกแล้วเราก็ต้องแก้ทุกเรื่องการเปลี่ยนเ e อียบด์แต่เราไม่ได้เปลี่ยนไปหาความสุขเราเปลี่ยนไปแก้ทุกตามเหตุตามผลที่เป็นไปตามความจริงของครับ เนี่ยพิจารณาียาบทนี่เราก็เห็นทุกข์แล้วก็เรา ต, enfin, ต้องแก้ทุกข์อยู่เสมอไปพอแก้ทุกข์แต่ละียาบทเราก็รู้ว่ารูปนั่งยิริยาบทนั่งก็อันหนึ่งยืนก็อันหนึ่งเดินก็อีกอันหนึ่งหยุดยืนก็อีกอันหนึ่งนั่งก็อีกอันหนึ่งนอนก็อีกอันหนึ่งคนละรูปคนละรูปกันไปนี่เราก็รู้ถูกรู้ตรงตามความเป็นจริงนี้ทุกรูปนี่จะทุกข์ทางนั้นแหละพอเห็นรูปทุกรูปไปแล้วแล้วก็ สติสัมปชัญญะเราก็มีกําลังแรงกล้าโดยที่โยนิสโสมนสิการเปลี่ยนยาบททุกครั้งในขณะที่อิริยาบทเก่าเป็นทุกข์เรามีสติว่าเปลี่ยนไปเพื่อแก้ทุกข์เปลี่ยนไปเพื่อแก้ทุกข์สติสัมปชัญญะก็จับสภาวะของรูปใหม่อิริยาบทใหม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโยนิสโสมนสิการทุกครั้งที่เปลี่ยนยาบทไปก็เป็นปัจจัยแก่สติสัมปชัญญะให้เรามีกําลังแรงกล้าขึ้นมา พนักข่ายยาบทย่อยที่เราทําการเปลี่ยนนั่นแหละเราก็เห็นทุกข์จากอาการเปลี่ยนยาบทย่อยเปลี่ยนของอิริยาบทย่อยนั่งอยู่เปลี่ยนยาบทเพื่อแก้ทุกข์ลุกขึ้นยืนไอ้ลุกขึ้นยืนก็เป็นทุกข์ยิ่งก้าวเดินไปก็เป็นทุกข์ยิ่งใครข้อเข่าไม่ดีก็เห็นชัดเลยทีเดียวเนี่ยเห็นชัดเป็นทุกข์แต่ต้องทําเพื่อแก้ทุกข์ต้องเดินเพื่อแก้ทุกข์นี่ก็เป็นอันห ที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าสติปัญญาเรารู้เท่าทันต่อความเป็นจริงแล้วแล้วก็เราคันกิเลตได้จริงจริงมันทุกอารมณ์เราคันกิเลตได้ทุกอารมณ์เลยไม่ว่าเราจะอาบน้าไม่ว่าจะทานอาหารจะเข้าทายหนกักใาเบาแล้วเราทําไปเพื่อแก้ทุกข์ทางนั้นแต่ว่าคนทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราไปหาความสุขความสุขเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าความสุขนั้นมันไม่ใช่สัจจะไม่มีจริง แต่ที่จริงก็คือทุกข์ที่เราต้องแก้ไขยอยู่เรื่อยไปส่วนคณะสัญญาความเป็นกลุ่มก้อนของรูปของนามเนี่ยเราแยกเขาไม่ออกแยกรูปไม่ออกแยกนามไม่ออกเขาก็รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะั่นบอกว่าคณะสัญญาเนี่ปิดบังอนัตตาไม่ให้เห็นความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ทำให้สาคัญผิดว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาตัวตนไปอัตตาวิพาาัล l ก็เกิด นี่ทมที่เป็นเครื่องปิดบังไต ร, รักษ์ในสามประการนีนะ้ก็เป็นอุปสรรคในการเจริญวิปัสนาธรรมฐานเพราะนั้นบอกว่าจะต้องทําลายทำที่เป็นเครื่องปิดบังไต ร, รักษ์นี้ก่อนนี่เราจะเห็นได้ว่ายศตกลงทําลายอะไรก่อนแน่บอกไว้เมื่อวันเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าต้องทําลายสกายพิติ ความสำคัญผิดว่ารูปเป็นเหลานามเป็นเหล่านี้ต้องเอาความสกายะทิฏฐิออกก่อนแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าต้องทำลายธรรมที่เป็นเครื่องปิดบังใรลักก่อนทำลายธรรมที่เป็นเครื่องปิดบังใจลักสันตติปิดบังอ น, นิจจังยิริยาบทปิดบังทุกขณะสัญญาปิดบังอนตัตตาจะเอาอยัางไงกันนะแต่ความจริงโดยอัฏฐะโดยความหมายแลวไม่ต่างกัน เราจะทำลายคณะสัญญาก็ด้วยเจริญสติปัฏฐานจะทำทำลายความเห็นผิดในสกายทิฏฐิก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำความเห็นให้ถูกนี่หรือจะทำลายสัน ต, ติก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องตามดูรูปดูนามที่เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของรับถ้าจะดูทุกข์ก็ต้องตามสติปัฏฐานอีกเหมือนกัน เพราะนั้นบอกว่าทำที่เป็นเครื่องผิดบางไก ร, รักเนี่ยทั้งสามประการนี้จะทําลายได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพราะนั้นสติปัฏฐานนี่ก็เป็นงานสําคัญอีกอั น, นที่เราจะต้องทําความรู้ความเข้าใจกันต่อส่วนในหัวข้อถัดไปบอกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐา น, นเรารู้แล้วคือปัญญาที่เห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นตัตตาปัญญานี้แนหะมีประโยชน์มาก บอกว่าทําลายวิปลาธสธรรมแล้วทาให้หมดจดจากกิเลสเนี่ยทําลายวิปลาสแล้วก็ทําลายเครื่องปิดบังใจรักนี่แล้วก็ทําให้หมดจดจากกิเลสทําให้แจ้งพระนิพพานเราทราบแต่ว่าจะทํำยังไงไปถึงวิธีวิธีการเรารู้หลักการแล้วว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นน้ำตาล มีประโยชน์ทำลายวิปลาสธรรมแล้วก็ทำให้หมดจดจากทีเลตทำให้อริยักษ์อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปประชุมพร้อมกันทำให้แจ้งปณิพันฑ์นี่แหละจะต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ในหัวข้อนี้บอกว่าแล้วจะทำยังไงอย่างเราจะทำไงที่จะให้วิปัสสนาปัญญาเกิด เหมือนอย่างที่เรามาอบรมกันเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าจะทำยังไงวิปัสสนาปัญญาถึงจะเกิดขึ้ น, นโดยหลักฐานแล้วเนี่ยนี่ยังเป็นนัยยะปริยัติอยู่ท่านบอกต้องอาศัยเหตุเบื้องต้นที่จะทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดได้นันมีสองเหตุสองประการอยู่ประการที่หนึ่งบอกว่าประโตจากปูโศสัจญานุสันติ จะต้องได้ยินได้ฟังปรมัตถธรรมหรืออริยสัจธรรมในสำนักของผู้รู้สัจธรรมในสำนักที่เขามีการศึกษารูปศึกษานามกันมีการปฏิบัติโดยเอารูปเอานามมาปฏิบัตินี่ต้องเข้าไปในสำนักที่เขามีการเรียนรูปเรียนนามแล้วก็มีการปฏิบัติในรูปในนาม ก็มีที่ไหนล่ะเอาไปเอามาก็บอกมีอยู่ที่มูลนิธิแนบนี่คมีอยู่ที่มูลนิธิแนเนี่เรียนรูปเรียนนามกันแล้วเอารูปเอานามไปปฏิบัติไม่ใช่เรียนรูปเรียนนามแล้วพอจะปฏิบัติไปเอาพองหนอยุบหน่อมาคนละเรื่องกันไปเลยไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานเรียนรูปเรียนนามแล้วเอามาปฏิบัติเนี่ยแล้วเอารูปมาปฏิบัติ ตามกายานุปัสสนาในสติปัฏฐานท่านบอกไว้ละเอียดท่านบอกไว้ละเอียดว่าในอิริยาบถปปะพระเฉพาะอิริยาบถอันเดียวพ่เวลาเดินก็ให้รูว่ารูปเดินเวลายืนก็ให้รู้สึกในรูปยืนเวลานั่งก็รู้สึกในรูปนั่งเวลานอนก็รู้สึกในรูปนอนท่านตั้งไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอิริยาบถ อันนี้เราก็ต้องเรียนให้เข้าใจเหมือนันว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่อเราจะได้โยนิโสมนสิการให้ถูกนี่แหละเราต้องเรียนแต่ขั้นแรกทางเรียนให้รู้จักรูปปรามัดมหาพุทรรูปสี่อุปาทัยรูปยี่สิบสี่หรือนิพันเนรูปสิบแปดอนิพันนรูปสิบมีอะไรบ้างเนี่ยต้องเรียนให้เข้าใจเราจะได้จะดูรูป รูปอะไรจะได้รู้ตรงนั้นอย่างรูปเดินยืนนั่งนอน น, นี่เราก็รู้อย่างที่อาคารท่าทางที่ท่านบอกอย่เราก็รู้ว่านี่เป็นอาคารของรูปว่าคัจฉันโตวาคัจฉามิติปัานาติเมื่อเดินอยู่นี่ก็รู้ว่ารูปเดินหรือทิโตวาทิโตมหิติปชานาติหรือเมื่มอนั่งอยู่ก็ได้รู้รูปนั่งสยานโอวาสยานโอไมฮิติปชานาติ หรือว่าเมื่อนอนอยู่ก็รู้รูปนอนอ่านิสินโนวานิสินโนมิอิกิปัชนาติเมื่อนั่งก็รู้รูปนั่งเมื่อยืนก็รู้รูปยืนเมื่อนอนก็รู้รูปนอนท่านให้รู้ตรงอาการท่าทางไป น, น, นี่เราก็เรียนเรียนรูปให้เข้าใจยิริยาบทที่จะใช้ในการปฏิบัติสติปัฏฐานตามยิริยาบทต่อไปต้องไปเข้าสู่สํานักที่เขามีการเรียนการศึกษาครับ ประการที่สองบอกว่าอชัดตันจะโยนิโสมนาสิกาโรเมื่อได้เรียนให้เข้าใจแล้วเนี่ยต้องอาศัยโยนิโสมนาสิกันคือทำการใส่ใจในสภาวะของรูปที่มีอยู่ในตนปรมาทธรรมที่มีอยู่ในตนนี่เป็นองค์เขาโยนิโสมนาสิก